คนสวนห้าไมายห่างจากความวุ่นวายของเมืองลอนดอนยังมีเมืองเล็กๆที่สงบเขียวชอุ่มและงดงามที่คุณนางชั้นสูงและนายกเทศมนตรีสร้างขึ้นสำหรับพักร้อนของพวกเขานี่เป็นเรื่องราวขอ ง, ของคาร์ลาที่ดองดังที่สุดในบรรดาทั้งหมดของพวกเขามันงดงามเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้คนสวนของพวกเขาตกแต่งสนามหญ้ายอย่างละเอียดอ่อน ความหลงไหลในการทําสวนอย่างไม่หยุดของเขาทำให้มั่นใจว่าดอกไม้หายากจะเรียงรายตามทางเดินหินและครอบคลุมกาแพงหินผลไม้หายากห้อยเป็นกลุ่มอย่างดีต้นไม้ที่แข็งแรงผักที่ดีที่สุดเติบโตขึ้นในเรือนกระจกที่ปราณีตพร้อมด้วยพืชหายากที่ประดับประดาเรือนกระจกอย่างงดงามคาหานี้เป็นที่กล่าวถึงความงดงามตามธรรมชาติ แล้วเจ้าของภูมิใจในมันพวกเขามาเยี่ยมที่นี่ในทุกๆฤดูร้อนช่างเป็นคฤหาสที่งดงามอะไรเช่นนี้โอ้ดูน้ำพักน้ำแรงที่เราต้องลงทุนไปกับมันสิคะแต่มันก็คุ้มค่ามากหลังจากที่คฤหาสทั้งหมดนี่เป็นชื่อของครอบครัวเราสิ่งที่เราลงทุนไปมีค่าน้อยมากหากเทียบกับชื่อเสียงที่เราได้รับมา นายท่านยินดีต้อนรับไงาลาเซนได้อะไรให้เราบ้างปีนี้เอ อ, เ อ, อนายท่านผมดูแลมะม่วงอินเดียมานานกว่า5ปีแล้วผลไมน้นี้ต้องใช้ดินชนิดเฉพาะและ ว, วิธีรดน้าแบบพิเศษผมใช้เวลาดูแลหลายเดือนเพื่อเรียนรู้วิธีปลูกมันแต่ว่านั่นพอแล้วลาเซนเราได้ผลผลิตไหมโอ้ได้ครับนี่ไง ผมเลือกอันที่ดีที่สดแด่ท่านเลือกเองกับมือรูปด่างสมบูรณ์ขนาดสมบูรณ์แบบฉันหวังว่านายจะคงล้างมันแล้วนะลาเส้นโอ้อ้โอประทานโทษผมเพิ่งขุดขึ้นมาเพื่อคุณหญิงคนใหม่จากฝรั่งเศสอ๋อดีกว่าดูมะม่วงอินเดียของลาเส้นกันดีกว่าไหมนายคนหันมันไว้แล้วนะตอนนี้ล่าเส้นเออผมขอโทษด้วยคุณผู้หญิงผมจะไปล้างเดี๋ยวนี้เลย เออเป็นไงบ้างคุณผู้ชายคุณผู้หญิงให้ได้เลยไอ้ท่านอดคอนวอมาที่นี่เพื่อพบท่านโอ้เขาเข้ามาอาอยุที่นี่แล้วสหายข้าสวัส ด, ดีอิจใจที่ได้พบนายอ้มันมะม่วงอินเดียใช่ไหมใช่แล้วล่ะ อืมรสชาติดีที่สุดที่เคยทานมาก่อนเลยไอไปอินเดียมาตอนไหนไม่ได้มาจากอินเดียอเซนจัดอาละปลูกมันไว้ในที่ดินของเร า, อ, าเอเซนไอช่างเป็นคนงานที่มหัศจรรย์หล่อเซนนายไม่มีงานในสวนให้ทำหรือไงกันอ๋อๆๆใช่ครับคุณผู้หญิงหัวใจเท้าของผมเอ่อผมจะบอกว่าไอที่สวนได้แล้ว อาเซนออฉันบอกคุณแล้วว่ามันยุ่งยากที่จะจัดการขฤาราชการแล้วเป็นยังไงล่ ะ, ะฉันเหนื่อยเต็มทนแล้วเ่ะอเออฉันอยากจะเชิญนายไปพบพรุ่งนี้ตอนค่ำว่านายสะดวกนะนั่นคงดีมากหลอดคอนวอลเอาจะไปที่นั่นฉันขอมะม่วงสักหน่อยได้ไหมอาเซนถือเป็นปรมาจารย์จริงๆ มันไม่ใช่ลาเส้นรักเป็นบนรรพบุรุษของเราในดินแดนแห่งนี้ไปได้เลยตามต้องการฉันจะให้พวกเขาเก็บให้เดี๋ยวนี้เลยต่อมาหลอดละนายหญิงที่บ้านของหลอดคอน沃尔ที่นั่นมีอาหารแสนอร่อยแขกได้รับการเสิร์ฟแอปเปิ้ลและลูกแพร์ที่มันจะแสนอร่อยกว่าที่พวกเขาเคยกินมา เป็นแอปเปิลและลูกแพ้ที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมา อ, อ๋อมัอนมาจากคราหาร์ของคุณหรือใครเป็นคนสวนของคุณหลอดคนโวโอ้ไม่มีคนสวนหรอกกำลังหาอยู่นะผลไม้พวกนี้มาจากจอนในตลาดแถวนี้เขาบอกว่าได้ผลไม้พิเศษมาในคืนนี้นะใช่แล้วผลไม้ของเขาเป็นที่รู้จัก่ังดี มันแปลกใหม่แน่นอนเราหวังว่าจะมีผลไม้เช่นนี้จากสวนของคุณแม็กซ์เวลล์นะหลอดแม็กซ์เวลล์กลับบ้านยังโดนดูถูกเรียกลาเซนมาพบฉันเดี๋ยวนี้ครับท่านหลอดเซนต้องทำงานในสวนให้ดีขึ้นกว่านี้นะเ อ, อ่อท่านอยากพบผมเหรอครับนายท่านใช่แล้วเราเพิ่งได้ทานแอปเปิ้ลและลูกแพรที่งดงามแสนอร่อยที่คฤหาสน์ของหลอดคอนวอล นายต้องไปหาคนขายผลไม้จอนจากในตลาดแล้วถามเขาว่าเขาได้ผลไม้มาจากที่ไหนกันนะจากนั้นเรียนรู้จากใครก็ตามที่สามารถทำให้มันอร่อยได้ถึงขนาดนั้นเออเออจอนในตลาดเหรอคือผมเพิ่งขายไปชุดหนึ่งเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าอยากได้แอปเปิล ก, กับลูกแพร์สำหรับคืนพิเศษผมไม่รู้ว่า มันจะใช่อันเดียวกันกับที่พวกท่านทานไหมเงินแสดงว่าแอปเปิลกับลูกแพรพวกนั้นมาจากสวนของเรานายพิสูจน์มันได้ไหมเ อ, อ, อได้ครับนี่ใบเสร็จซื้อขายครับนายท่านผมได้ลองสูตรพิเศษในการผสมดินและปุ๋ยคอกเพื่อให้ได้ผลไม้ที่ผลใหญ่และมีความฉำ่ำแล้วก็หละสิน้นนายน่าจะให้พวกเราได้ชิมก่อนพวกเขาเนะ อแต่ผมเคยเสิร์ฟให้ท่านครั้งก่อนที่ท่านอยู่ที่นี่และท่านบอกว่ามันใช้ได้พอได้แล้วตอนนี้ไปเตรียมผลไม้ใส่ตะกร้าให้เพื่อนๆนของเราทุกคนส่งให้พวกเขาและบอกว่าทั้งหมดมาจากสวนของเราจากพรของบรรพบุรุษของเราเอาตรงตรงเลยนะลาเซนนายน่าจะระวังให้ดีกว่านี้หน่อยเฮ้ยไปทำง่าเดี๋ยวนี้เลย ลาเซนนายทำงานหามรุ่งหามค่ำในสวนมันเป็นเพราะว่านายสวนของคะเอหาดแห่งนี้จึงสวยที่สุดในเมืองนี้แต่ว่าพวกเขาไม่เคยกล่าวชมนายเลยสักคำอ่าๆๆจัดเสร็จแล้วตอนนี้ฉันขอตัวไปดูบัวสีน้ำเงินก่อนนะบัวสีน้ำเงินใช่ไม่ต้องห่วงให้มากหรอกนะตราบใดที่พวกเขาให้ฉันทำงานในสวนฉันก็จะไม่เป็นไร เชาวันรุ่งขึ้นอดเม็กเบลได้รับสารด่วนพระราชาและเจ้าหญิงต้องการให้เขามาพบที่วัง เ, เรื่องสําคัญบางอย่างมีอะไรเหรที่รักพระราชาและเจ้าหญิงเรียกผมไปพบที่วังทันทีเกี่ยวกับธุรกิจของอลาบอมมาคุณต้องไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะช่วยเตรียมของให้เองละเออผมควรจะนําของฝากไปให้เจ้าหญิงดีไหม แต่คุณจะมีเวลาหาอะไรให้เธอได้หรือคะเจ้าหญิงทรงปรดดอกไม้ที่หายากเรียกลาเซนมาที่นี่เดี๋ยวนี้ดังนั้นลาเซนจึงถูกใช้ให้ไปหาดอกไม้หายากจากสวนและเขาได้นำดอกบัวสีน้ำเงินมาให้หลอดแม็กซ์เวลนายแน่ใจนะว่าหายากอ๋อใช่เลยนายท่านมันพบได้เฉพาะภูเขาสูงในอินเดียและทิเบตแต่ว่าผมอ๋อได้แล้ว เอล่าซนเองโมเองโมเอ่อใช่พ่อครัวในราชวงศ์ขอให้ผมส่งแตงโมไปที่ปราสาทครอบครัวของราชวงศ์ชอบแตงโมของเรามากเมื่อปีก่อนนายมีหลักฐานไหมอ๋อนี่คือจดหมายที่พ่อครัวของราชวงศ์ส่งมาเมื่อเช้านี้เองนายท่านนายควรให้พวกเราชิมมันก่อนนะเออผมให้แล้วครับแต่นายท่านบอกว่ามันใช้ได้ ด, ดูร้อนที่ผ่านมาสวนของราชวงศ์เสียหายดังนั้นเขาจึงขอบางส่วนจากผมเขานำเสนอต่อพ่อครัวและต่อราชวงศ์ตอนนี้ไม่มีเวลายุ่งแล้วคุณต้องไปเดี๋ยวนี้ที่รักลาก่อนนะที่รักเอาแตงโมวไว้ใต้รถมาก่อนแม็กซ์เวลมอบดอกไม้แด่เจ้าหญิงและเธอดีใจมาก เธอวางดอกไม้เอาไว้ในถ้วยคริสตลลัลกลางโต๊ะประชุมแต่ข้าราชบริพารขี้อิจฉาพูดกับลอดแม็กซ์เวลว่าดอกไม้ที่เจ้ามอบแด่เจ้าหญิงมันธรรมดามากงั้นเหรอท่านไม่น่าปล่อยให้ลาเซนหลอกคนเช่นนี้หลอดแม็กซ์เวลมีคนสวนคนหนึ่งที่ข้ารู้จักเข้าดีกว่าลาเซนท่านต้องไปจ้างเขาแทน ลอร์ดแม็กซโมโฮสขีดเมื่อได้ยินค่าช่บริพารกล่าวดังนั้นเขากลับมายังคฤหาสน์ของเขาเพื่อถามลาเซนเมื่อถึงคฤหาสน์ลาเซนอยู่ในสวนกำลังคุยกับเลดี้แม็กซ์เวลหล่อเส้นได้โปรดให้ผมนำต้นไม้เก่าที่ตายฝังลงทิ่นี่ผมจะปลูกเข้าโอ๊ตที่นี่เหล่านกจะมาในสวนเพื่อกินมันสวนจะเต็มไปด้วยความสุขของพวกมันและจะมีชีวิตชีวาด้วยสีสันของพวกมัน ต้นไม้จะอยู่ตรงนี้ลาเซนก่อนอื่นนายมาหาฉันตรงนี้นายจะได้ไม่แตะอ้องมันแต่นายท่านผมคิดว่าอย่าลืมลาเซนสวนแห่งนี้ของครอบครัวเรานายไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเออผมขอโทษครับนายท่านนายจะอยู่ที่นี่อีกไม่นานาราชบริพารที่ดีกำลังส่งคนสวนมาให้เรา นายจะไม่ได้ทํางานที่นี่เออนายท่านนายให้ดอกไม้ธรรมดาแก่ฉันไอหม้อให้กับเจ้าหญิงนายบอกว่าหายากลหรแต่ตอนนี้ท่านต้องเขียนจดหมายไปขอโทษเจ้าหญิงออแต่ว่านายท่านอย่าให้ฉันพูดซ้ำสองไปได้แล้วดังนั้นล่ะเ้นจึงต้องออกจากครือหารและสวนที่งดงามที่เขาดูแลด้วยความรักเป็นเวลาหลายปี ในขณะเดียวกันหลอดแม็กซ์เวลล์ได้เขียนจดหมายขอโทษแก่เจ้าหญิงปาบาดหม่อมฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าดอกบัวสีน้ำเงินที่หม่อมฉันมอบให้นั้นไม่ได้เป็นดอกไม้ที่หายากอย่างที่หม่อมฉันเคยบอกหม่อมฉันขออภัยสําหรับความผิดพลาดและหวังว่าท่านจะให้อภัย และเข้าใจว่าหมอมฉันไม่ได้มีเจตานาที่จะเสนอความเท็จต่อหน้าท่านขอแสดงความนับถือลอร์ดแม็กซ์เวลล์ท่านแม็กซ์เวลล์ที่รักเรารู้ว่าดอกไม้ที่ท่านนำมามอบให้เราเป็นของหายากแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งธรรมดาในอินเดียและทิเบตมันก็เป็นสิ่งหายากในทวีปของเรา มันเหลือเชื่อมากที่คนสวนของท่านลาเซนสามารถปลูกมันได้ในภูมิอากาศของเราทุกคนได้รับการชื่นชมเราได้ยินมามากมายเกี่ยวกับครฤหาดของท่านและสวนของลาเซนเราอยากไปเที่ยวจริงๆเราจะเสนอในปลายปีนี้ว่าไปเที่ยวชมในฤดูร้อนปีหนา้ามันไม่เป็นการรบกวนท่านเกินไปขอแสดงความนับถือเจ้าหญิงฟอร่า มีการเตรียมการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมาเยือนของเจ้าหญิงมีการจัดหามลพัธุ์ใหม่ๆและดอกไม้นานาพันธุ์ก็ถูกจัดซื้อมาสำหรับแม็กซ์เวลลเขาไม่เคยคิดว่าเป็นสวนของลาวเซนมันเป็นสวนของเขาเพียงคนเดียวในขณะเดียวกันลาเซนได้พบกับบ้านหลอดคอน沃尔และทำงานที่นั่นด้วยพลังของเขาในสวนของหลอดคอน沃 นึ่งปีผ่านไปฤดูร้อนมาเยือนอีกครั้งและแม็กซ์เวล์รอการมาเยือนของเจ้าหญิงเจ้าหญิงมาถึงเมืองเล็กๆหยุดก่อนคนขับหยุดก่อนนี่มันข้าวโอ๊ตที่ถูกปรับแตง่งลรกสามารถกินมันได้มีเพียงลสัสเซนเท่เนั้นที่คิดแบบนี้ก็เป็นที่นี่แน่ปาบาทผมฉันมั่นใจว่าพะือหาดของหลอดแม็กซ์เวลอยู่ข้างหน้านี้ไปไม่ไกลและฉัน มั่นใจวันนี้ต้องเป็นคราฮาที่สวยที่สุดในประเทศแน่นอนเลยล่ะมันจะต้องเป็นฝีมือของคนสวนที่ดีที่สุดที่ชื่อว่าลาเซนลาเซนเซนันใช่ท่านไหมขอรับเราเคือเจ้าหญิงฟอราเออเจ้าหญิงกระผมขอประทานอภัยท่านเจ้าหญิงกระผมต้องไปล้างก่อนมันแสดงให้เห็นว่านายหลงไหลในเงินของานายมากแค่ไหนนะ ไอมีตึงโมที่ฉันชอบไหมเออมีเจ้าหญิงผมจะไปเอามาให้เดี๋ยวนี้ในขณะเดียวกันคนขับรถม้าได้ส่งสารไปหาหลอดแม็กซ์เวลว่าเจ้าหญิงมาถึงแล้วพวกเขารีบมาที่คฤหาสน์ของหลอดคอนวเจ้าหญิงฟอร่าอาบาดคฤหาสน์ของเราอยู่บนเนินเขาห่างจากนี้เล็กน้อยเออเหรอ แต่ว่าลาเซนอยู่ที่นี่นี่เนอะเจ้าหญิงฟอราได้รับการบอกเหตุใดลาเซนจึงถูกไล่ออกหลังจากมอบดอกไม้ธรรมดาให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงฟอราได้ยินเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่าแม็กซ์เบลเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่เคยชื่นชอบลาเซนสำหรับความสามารถและรักในการทำสวนของเขาเลยเธอจึงตัดสินใจทาในสิ่งที่ถูกต้องลาเซน นายท่านเป็นคนที่มีความหลงไหลที่วิเศษและความหลงไหลมีการทำสวนของนายนะ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมอบสวนและคฤรุหาตให้เป็นของท่านท่านจะปลูกสวนทำอะไรก็ได้ตามใจของท่านเลยละ่ละถ้าใช้จ่ายทั้งหมดท้องพระคังจะออกให้เราจะเรียกสวนนั้นว่าสวนสวรรค์ของลาเซนและมันจะรู้จักไปทั่วประเทศเลยละ่ะ ในที่สุดลาเซนก็ได้รับการชื่นชมในสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ